ท่านเพื่อนวิสุทธิมณเณรทั้งหลายแล้วก็บรรดาญาโยมพุทธบริษัทในตอนนี้ก็มาฟังกันเรื่องทานนบรมีต่อไปนี่นก็หมายความว่าเรื่องทานเนธยาพูดกันจริงๆมันก็จบยากแต่ว่านี่เราฟังกันภายในภายในวัดของเราแล้วก็ฟังเพื่อการศึกษาการศึกษานี่ไม่ใช่แค่จําได้นะ ฟังกันเพื่อทำได้ด้วยแต่ว่าก่อนจะฟังเรื่องทานบารมีอันดับแรกอย่าลืมอารมณ์สกัดอวัยภูภูไม่ก่อน <c oughs> อันนี้ต้องทำให้ได้นั่นคือมีความคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายและความตายอาจจะตายวันนี้ก็ได้ เราจะยึดความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งคือยอมรับนับถือและปฏิบัติตามท่านไม่สงสัยในความดีคิดว่าความดีถ้าปฏิบัติตามท่านเราต้องพ้นอบายภูมิแน่แล้วก็ทรงสินตามสภาพให้ปกติแครวาตมีความสําคัญทีสินห้า หลังจากนั้นยามโบติคิดไว้เสมอว่าถ้าชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านที่ได้มโนวิธิรู้จักพระนิพพานดีแล้วให้ปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบพิแก้ว อจิตจับปฏิพันธ์ไม่เป็นปกติไม่ยามว่างก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆจับนิพันธ์ให้เป็นอารมณ์อย่างนี้จิตใจเราจะเป็นสุขการให้ทานในหวังความเป็นสุข <c oughs> วันก่อนไปพูดถึงเรื่องบรรยากาศเศรษฐีที่ยาวเหยียดและวันนี้แล้วก็พูดถึงอานิสงส์ของทานการให้ทานอย่าลืมนะ ว่าใจยังไม่หนักแน่นพอคนที่เรายังไม่ชอบใจอย่าเพิ่งให้ให้แต่คนที่เรารักเมื่อคนที่เราไม่เกลียดต่อไปถ้ากำลังใจสูงขึ้นจิตสบายมีเวขาดีมีเมตตาบารมีสูงก็ให้ไม่เลิกให้เพื่อปลดปลดเรื่องความทุกขก์คือเาษีของเรา <c oughs> กำลังใจในการให้ทานเน่เป็นจารคานุสติก่อนที่จะคิดให้เป็นจารคานุสติอันนี้อนุสติอย่างใดอย่างหนึง่งถ้ามีประจําใจแล้วมันตกปรุกไม่ได้จะยกตัวอย่างมันก็ยาวเกินไปจะขอขอพูดถึงอุ น, อ น, นิสงการให้ทานที่สมเด็จพระพิิตรมานทรงตรัสว่า สมัยพระพุทธกระสบท่านเทศอย่างนี้ท่านบอกว่าบุคคลใดให้ทานได้ตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่จะมีทรัพย์สมบัติมากจะเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ว่าขาดเพื่อนขาดคนเป็นที่รักมันก็โดดเดี่ยวแย่เหมือนกัน บคุคคลผู้ใดดีแต่ชักชวนบุคคลอื่นแต่ว่าตนเองไม่ให้ทานท่านบอกว่าเกิดเจ้าชาติตายชาตินี้ไปแล้วไปเกิดชาติใหม่มีพักพวกมากแต่ยากจนบุกคลใดให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นด้วย ตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะเป็นคนร่ำรวยมากด้วยแล้วก็จะมีเพื่อนมีบริวารมีมิตรสหายมากนี่เรียกว่ามีความสุขพวกคนใดไม่ทานด้วยตนเองด้วยไม่ชักชนวนบางคนอื่นด้วยตายจากชาตินี้ไปเกิดใหม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นคนยาก จ, จนเขินใจเป็นยาจกขอทาน แล้วขอก็ไม่ค่อยจะได้ไม่มีใครเขาอยากจะให้ไม่ได้คนเกลียดการให้ทานที่ก่อนจะถึงนิพพานเนี่ยจะต้องเราต้องมีความสุขในทรัพย์สมบัติก่อนจะไปคิดว่าการให้ทานเป็นการกำจัดโลภความโลภแล้วมีผล น, น้อยแค่การมาบจรอันนี้ไม่ถูก ถ้าเราจะไปนิพพานนี่ถ้าก่อนจะถึงนิพพานถ้าเราลาบากมันไปยากจิตใจไม่สบายผมจะเล่านิทานสักเรื่องหนึ่งนะมันจะช้าก็ช้าจะจบอะไรก็ช่างก็เล่าสู่กันฟังเพราะนี่ไม่เป็นเรื่องภายในถ้าเป็นคัตเศษที่จําหน่ายก็าญาติโยมก็ลําบากหน่อยมันก็จะมีมากนี่ก็ไม่เป็นไรคุยกันฟังสาหรับพวกเรามันจะกี่คัตเศษก็ช่าง ว่ในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาทัมุตุเจ้ายัางทรงระชน์อยู่มีคนคนหนึ่งเขาไมา่เกิดแต่คนคนนี้เนะ่ะแปลกด้ชยใช่ก่อนๆเวลาบำเพ็ญบรารมีตัดธานบรารมีออกจากใจแต่ความจริงเขาก็ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครก็มีจาคานุติกรรมาฐานเป็นปกติ <c oughs> ไอ้จากขาดุสติกรรมฐ า, านตัวนี้เขาไม่ให้เป็นผูถต่จิตเขาละความโลภคือละความอยากได้ทรัพย์สมบัติของุคคลอื่นที่ใครไม่ให้เขาได้ชอบทำเนี่ยเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้แต่ว่าเขาไม่ให้ทานที่ว่าทานนางสักกโสทานนางที่พระพุทธเจา้าตรัสว่าทานเป็นบันไดให้ไปเกิดบนสวรรค์เขาบอต่ําไป เอาบุญที่เป็นปรมัตตบารมีดีกว่าคือหนึ่งมีศีลบริสุทธิ์สองมีสมาธิตั้งมัน่นพระงับมีวอนสามีมปัญญาแ จ, จ่มใสเพื่อการตัดกิเลสก็เป็นการบางเอื่นว่าชาตินั้นเขายังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องตายจากความเป็นคน ไปเกิดเป็นเทวดาก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเทวดาคนจนก็ได้ที่ประสมบัติอาญ จ, จะสู้ชาว บ, บ้านเขาไม่ได้ท่านี้ก็มากลับลงมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยามคือโสเพณีโสเพนีเวลาใ น, นเขาถือว่าเป็นเด็กกลุเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นสมณสังคมสมาคมหนึ่งทเรียกว่า แต่ว่าโสเภณีน่ะเขาต้องการเฉพาะลูกผู้หญิงเขาไม่เหยียดหยามก็มาสมัยนี้ว่าโสเภณีเร็วไม่ใช่อย่างนั้นเขาถือว่าโสเภณีก็เป็นตระกูลหนึ่งที่มีศักดิ์ศรีออกพ่อออกมาเป็นลูกผู้ชายเขาไม่ต้องการเขาก็เลยไปหมกป่าไว้ทิ้งไปให้ตายเร <c oughs> าเสือบตระกูลเป็นโสเภณีไม่ได้เวลานั้นโสเภณีผู้ชายยังไม่มี ถ้ามาเอินมีโสเภณีผู้ชายอย่างสมัยนี้บางประเทศก็จะหายจิ้งคล้องเหมือนกันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเขาบุคคลแต่ละคนถ้ารวมความว่าเขาเกิดมาไม่มีความสุขถูกถูกปล่อยแต่เขาก็ไม่ตายเขาไม่ตายเพราะอะไรเพราะว่า มีบุญรักษาเขาจะเป็นอาารานในชาตินี้เขาถูกหมกตัวอย่างนั้นไม่ตายถูกแวดล้อมบริษัทรักษาไว้ <c oughs> ตอนท่้งเป็นหนุ่มเดินไปเดินมาเดินเที่ยวไปก็ไม่มีอะไรจะกินแต่บุญรักษาเติบโตขึ้นมาได้โดยไม่ต้องกินอาหารแต่มาวันหนึ่งเขาเห็นพระเข้าเขาก็อยากจะบวชแต่ขอโทษ ข, ข้ามไปหน่อย <c oughs> วันหนึ่งเดินเข้าไปชายป่าเห็นคนเขาเอาอะไรมาฝังไว้คือลูกเขาออกเขาลกมาฝังก็แอบดูพอเขาไปแล้วก็ย่องเอาไปกดเห็นลกเด็กก็เลยนำลกมากินในชีวิตเขาได้กินเท่านั้นอย่างเดียวอันเนี้ยการขาดทา น, นบารมีหลังจากนั้นก็เดินไปเดินมาเห็นพระท่านมีความสุขก็เลยขอบวชพระอุปชาก็ให้บวช <c oughs> ในเมื่อบวชแล้วเวลาเบิณฑบาตตอนเช้าพระใหม่ก็ต้องเดินข้างหลังตามระเบียบพอเดินตามอาวสูชาวบ้านใส่บาตรจากหน้าพอะจะถึงองค์หลังข้าวหมดพอดีนี่อันนี้สงการไม่ให้ทานท่านก็เดินร้อนมาดินข้าวอุปชาต้องแบ่งให้ <c oughs> ถ้าอุปชาจะแบ่งให้หาเองไม่ได้ใจมันก็ไม่สมบาย วันที่สองท้าวชาบอกว่าวันนี้เขาใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้คุณเดินข้างหน้าทุกคนใส่จะต้องถึงคุณแต่ความจริงท้าอวชชาเป็นพระอาหารหันต์อย่างเลวก็อย่างต่ำก็ต้องเป็นวิชาสามเลือกพิญญาหกแน่เพราะรู้เรื่องในใจดีกรู้กฎของกรรมดีท่านต้องการให้บีสน์ผลว่าคนไม่ทานมันมีผลเป็นยังไง <c oughs> วันที่สองชาว บ, บ้านบอกว่าวันนี้ใส่หน้าไม่ถึงหลังวันนี้รวมกันใส่จากหลังมาหาหน้าพอจะถึงองหน้าเข้าหมดพอดีต่ความจริงเขาตั้งใจจะถึงได้กดคุ้งกรมันมันดานให้ตักเผอเข้าหมดวันนี้สามอุปชาบอกลัวเอางี้ก็แล้วกันคุณยิงกลางเขาจะใส่มาทางไหนมันพบทางนั้น เป็นอนุนวาท่านยืนกลางวันที่สามเช้าบ้านบอกว่าวันต้นใส่หน้าไม่ถึงหลังวันที่สองใส่หลังไม่ถึงหน้าวันนี้เราแบ่งเปสองพวกใสจากข้างหน้ามาหนึ่งพวกใส่จากข้างหลังไปหนึ่งพวกเขาก็ทําตามนั้นแปลกด้วยทั้งสองพวกพอจะถึงอกกลางเข้าหมดพอดีวันที่สี่ผู้ประชาบอกว่ายืนร้องฉันมันใส่แบบไหนถึงทั้งนั้น ในวันต่อมาเขาเขาใส่บาดตะนาบียบใส่บาด ท, ที่หนึ่งเขาไม่เห็นบาด ท, ที่สองได้ใส่บาด ท, ที่สามในวันต่อมาอุปชาบอกว่าคุณยืนรองฉันถ้าถ้ามือจับบาดไปเขาจึงเห็นบาดของท่านนี่การไม่ทานถ้าบา ร, รมีไม่เต็มจริงๆถ้าไปโดนเขาแบบนี้เราจะถูกความหิวทรมานขนาดไหนถ้านั่นบังเอิญเป็นบา ร, รมีของท่านเต็มจะได้เป็นพระอระหรันต ย, ยังต้องถูกทรมานจิตใจแบบนั้นเมื่อเธอเห็นเธอเห็นโทษเห็นทุกข์ในการเกิดอุปชาแนะนำไม่ยาไม่นานนักเท้าก็เป็นอรหันเมื่อเป็นอรหันแล้วชาวบ้านก็เห็นบาทเพราะเป็นผู้เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนี่การให้ทานม er. ีความสำคัญอย่างนี้นะจงอย่าคิดว่าเราต้องการพระนิพพานเราไม่ให้ทานยาวเฉพาะศีลภาวนาอันนี้ไม่ได้ ท้องไม่อิ่มนี่มันภาวานาไม่ไหวมันจะตายเอาดีไม่ดีไม่เป็นโจรเออไม่อย่างงั้นก็กลายเป็นบ้าเป็นหลังไปไปโลกสมัยศาสตร์ไม่สมควรการให้ทานของบรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะต้องให้ถ้าบุญบา ร, รมีของเรายังไม่เต็มเพียงใดเราก็เอาละเราก็จะต้องต้องใช้ต้องกินแต่ถ้าบุญบา ร, รมีเต็มเราก็จะมีความอดุมสมบูรณ อย่างตัวอย่างท่านสีวลี <c oughs> สีวลีที่เรียกว่าพระชิมท่านเ บ, บ้าสีวลีนี้ชาติหนึ่งเป็นชาวป่า <c oughs> ท่านวันนั้นเวตที่องสมเด็จพระสัมม า, า, มาพุตเตียสัมพนาพุะเกระศเทศบอกว่าบุคคลใดให้ทานด้ดยตนเองแล้วก็จะมีตายไปชาติหน้ามีภพวกว็สมบัติมากแต่ไม่มีบริบาลสมบัติตามที่เรามาแล้ว แลว้วบุกคลใดชักชนวนบุคคลอื่นแต่ไม่ให้ทานเองจะมีโภกมากแต่ก็อยากจนให้ทานเองด้วยชนวนบุคคลอื่นด้วยเกิดเปช็ชั้นหน้ามีเป็นคนรวยด้วยมีเพื่อนมากด้วยแล้วก็ให้ทานไม่ให้ทานโดยตนเองด้วยไม่ชักชวนชาวบ้านเขาด้วยเกิดเป็นคนยาจกไม่มีคนคบหาสมาคมขอทานคนยาก ชาวบ้านยังตั้งใจถวายทานกันอย่างหนักมีทุกอย่างใะ้มีทุกอย่า ง, างแต่ไม่ขาดน้ำผึ้งสดหาเท่าไรก็ไม่ได้ต้องตั้งคนไว้ที่ประตูเมืองสี่ประตูให้เงินไวหนึ่งกหาบหนึ่งพัน 1, กะหาบวนะเท่ากับสี่พันตำลึงนั่วเท่ า, ากับสี่พันบาทสมัยนั้น เพราะว่าถ้าใครนําพึ่งสดมานํารวงพึ่งสดมาให้ซื้อจากหนึ่งกะหาปนะัญะไปถึงพันกหาปะนะัญะพอดีท่านศรีวลีเป็นชาวป่าท่านจะมาหาเพื่อนในเมืองไม่มีอะไรติดมือมาก็เอาพึ่งมารวงหนึ่งพอพวกนั้นเห็นเข้าก็ขอซื้อตั้งแต่หนึ่งถึงพันกหาปะนะัญะท่านก็ไม่ยอมขาย ท่านบอกว่าฉันจะไปเพื่อนท่นก็สงสัยว่าพึ่งโรงนี้จ ร, จริงๆราคามันไม่ไม่ถึงกับกักหาปนะไม่ถึงหนึ่งอาวันะแต่เจ้าวันนี้ให้มากมากาคุณยาสติไม่ดีหรืออาจจะมีเหตุใดเหตุหนึ่งเกิดขึ้นมีความจําเป็นจึงถามมาทําไมผู้ท่านสติไม่ดีหรือไอ้พึ่งโรวงหนึ่งราคาไม่ต้องพันกับมณะใครก็ซื้อเขาขายกัน และขามันไปถึงหนึ่งกับหับนะเขาก็บอกว่าพวกเราจะทำบุญแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดไม่ขาดจนนะ้าผึ้งสดอย่างเดียวแล้วต้องการมีทุกอย่างนึงก็เลยบอกว่าถ้าซื้อําไม่ขายจะจะใบให้เพื่อนแต่ว่าท่านจะให้ฉันร่วมบุญโดยฉันจะให้คนนั้นก็ต้องวิ่งมาหาคนหน้าคนหน้าบอกเคาะดีดีมาก ให้เขาร่วมบุญด้วยธรบาศีวัลีก็ให้เป็นการปิดเลยการครบทนพอดีว่าเขาขาดอย่างนั้นท่านปิดพอดีเพื่อปิดให้เต็มหลังจากชาตินั้นมาแล้วท่านมาพบองค์สมเด็จพระปฐมที่แก้วเกิดในชาตินี้มาเกิดในชาติหลังนี้ก็บอกท่านบาศีวัลีเนี่ยไม่เคยมีโรคเลยโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่เคยมีแล้วไปเอาเป็นพระที่มีลาภจริงๆ จะไปไหนก็ตามคนก็ดีเทวดาก็ ร, ร, รีปารพะศิวัลีถ้าพระศีวลีไปด้วยไม่มีคำอดจะมีคมอดมสมบูรณ์แม้แต่เดินเข้าไปในป่าที่ไม่มีบ้านในสมัยที่องค์สมเด็จพระพิชิตามารจะไปเยี่ยมภ ร, ริวัตในป่าไม้สแก่ที่มีน้องภาษารีบตรอายุเจ็ดปีเป็นพระหลานในสมมิทายานเวลาขเดินเข้าไป ตอนจะไปเจอถึงทางสองแพร่งพระพุทธเจ้าจึงได้ทงสามพระอา น, นุนว่าอา น, นุนทางไปหาพระฤวัตไปเถือไปทางไหนแต่ควอนจริงท่งาทราบอ น, นุนบอกว่าถ้าไปทางอ้อมทางนี้เดินทางหกสิบโยชนมีบ้านบินาบาทตลอด <c oughs> ทางนี้เป็นทางตรงเดินไปสามสิบโยชนไม่มีบ้านใส่บาท สมเด็จพระบรมโลกน่าจึงได้ทรงตัดถามว่าศีวลีมาหรือเปล่าแต่ความจริงท่านรู้ว่ามาถ้า ต, ต้องการจะได้กายความดีพระนริน์ก็กราบทูลว่ามาพระพุทธเจ้าเรา ถ, าถ้าศีวลีมาตถาคตจะไปทางตรงพอพระพุทธเจ้าตัดสินใจว่าจะไปทางตรงบรรดาลุกเสวดาและอากาศเสตยวดาทั้งหลาย ต่างคนต่างปราร่บเวลานี้ท่านรงพ่อศิีวลีของเรามาในความจริงพระโมคคาลราภาษาดิบก็ไปพระเดจเจ้าทรงเสด็จด้วยแต่เทวดาไม่ได้ปรารพบถึงเลยปราราพบเฉพาะแตนศิีวลีนิรมิตรเริงแก้วคือติกุ ต, ติเป็นที่พักวัดเป็นที่พักสำหรับพระห้าร้อยรูป เป็นเดือนแก้วไว้แต่ละโยอดหนึ่งยอดมีหนึ่งวัดหนึ่งยอดมีหนึ่งวัดสร้างสามสิบวัดคือสามสิบยอเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงวัดต่างๆเขาก็แสดงตนเป็นคนธรรมดาแต่พระเจ้าพระอานนทนรู้มีโมในพักวัดทั้งพักตอนเช้าก uh uh ็น uh ําอาหารการบริโภคหนึ่งมิเตจจิตใจเทวดาไม่ต้องหูแต่ไหวพระอินนําสําราน แต่การที่เขามาถวายเนี่ยเขาา ร, รบพระศีวลีว่าเราจะนำอาหารมาถวายหลวงพ่อศีวลีของเราเป็นอย่างนี้จนทั้งถึงสำนักของพระฤวัตนิรรรดาเพื่อนปิโสสมันเนรแต่ญาติโยมผทธบริษสัท์ที่กำลังนั่งฟังก็เป็นอั้นว่าทานเนี่ยมีปัจจัยใหญ่ท่านศีวลีให้ทานน้อยรวมเพิ่งรังเดียว ปิดรายการแต่ชาติหลังถ้ามีความอดมสมบูรณ์คนที่มีความอดมสมบูรณ์น่าจะปฏิบัติธรรมมันก็ดีทำอะไรมันก็ดีทุกอย่างมีกาครคล่องตัวรวมความมีความปรารถนาสมหวังแม้แต่จิตใจคนบางประเภทก็ซื้อได้แต่บางประเภทแล้วก็ซื้อใจเขาไม่ได้ด้วยเงินงนะ <c oughs> แต่บางประเภทเวลานี้ก็ฟุมฟ่มเฟือยมากการชื่อได้ฟื้อได้เงินสะดวกอันนี้มีประโยชน์มากฉะนั้นขอบันดาแทานพุทธบริษัทและเพื่อนพิโศสมอเองจงสนใจในการให้ทานให้มากเพราะการให้ทานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหวังเฉพาะความร่ำโรอยอย่างเดียวเป็นปัจจัยของความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้า การให้ทานนมันจ้ขอพูดใ น, นสงทานสักนิดหนึ่งเวลามันเหลือห้านาทีเพออื่อในสงทานในชาติปัจจุบันเราจะเห็นได้ชัดชจริงๆนั่นก็คือว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเขาบุคคลผู้รับหรือว่าคนผู้ให้มีโอกาสได้ให้ชื่นใจว่าเราได้ให้ทาน คนที่รับทานเขาก็รักหัวคนวรักแต่ว่าบางคนนะบางพวกจอมอกตันโูไม่รู้คนคนเจอะเหมือนกันนะอย่าลืมนะผมโดนมาแล้วโดนมาตลอดชีวิตให้แล้วก็กัดให้แล้วก็กัดแต่ผมก็ไม่ได้ผูกใจเก็บผมถือว่าเป็นความชั่วของเขา ผมไม่ยอมชั่วด้วยไอ้อผมเนั่งก็เร็วอยู่แล้วถ้าจะไปโกรธเข้าๆมันจะเร็วมากขึ้นมันจะแบกไม่ไหวเอาแค่ความเร็วที่มีอยู่มันก็เดินตูบปัตตุบเป๋ไปแล้วเวลานี้ผมเดินตุบปัตตุบเป๋ตัวเป๋ไม่เนโครงทางว่ามันหนักความชั่วความชั่วมีเยอะมาหาศาลแต่ว่าพู้นั้นเขากล่งเขาแกล้งเขา ก, านขากินอิ่เข้าไปแล้วคิดจะฆ่าผม พิจะไล่ผมแล้วครับชุมนมก็เยอจะแยะเวลาที่พูดอยู่นี่ก็ยังมีร้องเรียนไปที่ไหนไหนเป็นลงมซื้อพิมดาบ้างฟ้องไปทุกประดับถึงต้องสนักนายกเขาหาว่าคนผมโหดร้ายแต่ผมไม่ได้เคยแตะต้องอะไรเขาเลยแต่พวกนี้ไปยังไงได้ประโยชน์มากก็เลยคิดว่าถ้าผมไปเสียแล้วเขาจะได้ประโยชน์นั่นจากผมหมายความว่า คนก็จะมาหาเขาเขาจะร่ำรวยเขานึกว่าผมรวยก็สร้างแต่ตาญาโยมท่านให้สร้างญาโยมทําให้เก็บแต่จริงกันก่อสร้างนี่เหน็ดเหนื่อยมันก็หนักใจหนักกายแต่เพื่อความดีของญาโยมผมไม่เหนื่อยไม่หนักผมปลื้มใจเพราะญาโยมทําำยามความดีทุกคนเขาจะพ้นทุกข์กัน และระยากักให้เขาอยู่ในแดงความทุกข์โกรธทำไมต้องสนับสนุนตามที่พระเจ้าสนับสนุนแบบไหนเราทำกันแบบนั้นนี่นบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมณี น, นทุกท่านต้องจำไม่ว่าการให้ทานมันก็มีการสะดุดแบบนี้แต่เราจงอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าจิตใจของเราเป็นศข สุขเพื่อการเกือ้อกูลกับเพื่อนในเมื่อเราให้เขาถ้ามีคนรักไอ้คนรักเราจะมากๆา ก, ม, ากมันก็มีไม่ใช่เลวคนเลวมันน้อยกว่าคนดีให้ทานทุกคนอย่รู้ขึ้นคุณคนไม่มีแต่เราจะไปคิดคิดอย่างเดียวคิดเหมิงให้ทานเพื่อเป็นการสงเคราะห์เรามีน้อยเราให้น้อยเรามีมากให้มากให้พอคนย้ายเกินผลดีได้เบ็ดเบี้ยมตนเอง ใหญ่ถึงก็ตัวมีความทุกข์คนเรื่องการให้ทานจริงๆมันก็มีประโยชน์ใหญ่ไปที่ไหนไมีแต่คนรู้จักแต่ความจริงเราไม่รู้จักจำเขาไม่ได้หรอกจำเขาไม่ได้จริงอย่าพูดท่านก็เคยไปกับผมไปโถงญาติโยมกับมาหากันไปถึงตรงพ่อหลวงปู่หลวงน้าผมก็มองหน้าผ้นจาไม่ได้ แต่ว่าท่านมาด้วยความดีผมก็ปลื้มใจผมก็ดีใจบางคราวท่านมากันมากไปที่บางแห่งจนทั้งผมฉันข้าวไม่ได้ใช้ข้าวไม่ได้ไม่ใช่ญาติโยมจะมากวนใจผมผมปลื้มใจในความดีของญาติโยมนี่ระบรรดาเพื่อไปสู่สมณีนทั้งหลายการให้ทานเนี่ยชาติปัจจุบันเราก็มีความสุขมาก ทั้งนี้เพราะหลมีคนเขาก็สนใจเรามากประคับประคองเรามากป้องกันอันตรายให้แต่อันตรายถ้าไม่จะเกิดจะกดข้องกรรมก็อย่าไปโทษประธานไม่ช่วยนะคิดไว้เสมอว่ากรรมที่เราทำไว้ในชาติก่อนมันตามมาเล่นงานเรายังไงก็ช่างมันชาตินี้ทำหนีมันไปให้ได้อันดับแรกเอาทานธรรมีเข้าชนกับมันก่อน เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีพอมีความสุขคนที่เขดีมีความกตัญญูรู้คุณเขาก็ให้การปรัดเค้าปงมเราให้ความสนิทสนมกับเราเป็นที่รักของเราเราก็ชื่นใจมีความสุขเว้นไว้แต่คนจังอะไรที่มีความอากตัญญูไม่รู้คุณเขามีความทุกขปล่อยเขาทุกไปฝ่ายเดียวเราจะทุกข์กับเขา แต่กําลังใจของเราอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นทานที่มีกําลังยิ่งใหญ่ชาตินี้มีความสุขชาติน่าจะสุขยิ่งไปกว่า น, นี้ถ้าบังเ อ, อิญบารมีของเรายัางไม่ไม่ถึงที่สุดในชาตินี้ก็อาจจะไปจบในชาติหน้าอย่างถ้าบรรยากาศเศรษฐีก็บคณะอดัยแล้วเราเพื่อนพิสูจน์สมณีท่องไหลผมพูดมาทั้งยี่สิบห้านาทีรวมทั้งทําวัดสวดมนต์ด้วย ก็สามสิบนาทีจะเสร็จไปแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแด่เพื่อนพิสุทธิ์สมานเนรทุกท่านและญาติโยมพุทธบริษัททุกคนสวัสดี